ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งที่จริงก็ถือว่าเป็นคุณปู่ได้แล้วนะพ อ, อยุเจดสิบกว่างันแกมีประสบการณ์ที่น่าสนใจแะเล่าว่ามีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนะเป็นนายทุนเงินกู้ซึ่งค่อนข้างจะน่าเลือดสะด้วยนะเพราะว่าเก็บดอกแพง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 เป็นที่เกลียดชังของผู้คนนาตาแกก็ไม่ค่อยมีความแจ่มใสเท่าไหร่คุณลุงคนนี้ก็ได้ทราบปิติศักดิ์นะของเพื่อนคนนที่มานานแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะที่แกมีความทุกข์มากวันหนึ่งก็เลยไปเยี่ยม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 มันหนักครับหนักคุณลงนี่ก็เลยบอกว่าเอาหนักก็วางสิพอนายมุนมณฑินเขาว่าวางนี่แกก็ฉุกคิดขึ้นมาคุแกก็สงสัยนั่นวางนี่มันมันมีความหมายว่าอย่างไงหรือเปล่ า, าคุณลงแกก็เลยพูดตรงจุดเลยนะว่าเนี่ย ไอ้เงินเงินกู้ต่างๆเนี่ยลูกหนี้ต่างๆที่เขาติดหนี้ติดสินคุณนั่นนะโดยเพราะลายที่เขายืมไปเป็นหมื่นหลายลายนี่ก็คงจะจ่ายหนี้เนี่ยไปเกินหมื่นแล้วถึงแม้จะยังจ่ายนี้ไม่หมดเนี่ยถ้าว่าเขาค้างอยู่สักนิดสักหน่อยก็ปล่อยเขาไปเถอะนะ คืนเรียกเข้ามาแล้วก็คื น, นไอไอโฉนดหรืออะไรค้ำประกันคืนเข้าไปนะไม่ต้องเป็นนี่เป็นสิ่งกันต่อไปเพราะว่าที่คุณได้มามันก็เกินเกินกว่าที่ให้เขายืมไปแล้วนะแกก็นั่งนั่งคิดอยู่สักพักนะแล้วปรากฏว่าแกก็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 ่แกก็เรียกมาคุยนะัเรียกมาพบแล้วก็คืนโฉนดคืนอะไรให้หมดเลยนะบอกว่าไม่เอาละเลิกแล้าต่อกันปรากฏว่าคราวนี้แกก็กลายเป็นที่ชื่นชมสรรสวยของผู้คนนะในยานตลาดท่านั้นมีคนเห็นแกก็ยกมือไหว้นะไม่ทำนั่งอีกนั่งงองเหมือนเมื่อก่อน บางคนก็เอาของมาให้นะเอาของมาให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งนั่นแกก็ถึงมีความสุขเลยนะทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการที่นั่นแกได้คิดจากไอหินที่ถือไว้ในมือนะแกลู้จริงนะว่าเออถือแล้วมันหนักหนักก็ปล่อยสินะคุณลุงคนนั้นบอกหนักก็ปล่อยหนักก็วางซะมันทำให้แกได้ฉุกคิดขึ้นมา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 ก็ทำให้แกทุกข์และมีน้ําซ้ำนะถึงแม้คนจกลูกนี้จะไม่เบี้ยวนะัก็จ่ายเงินแต่ว่าแกก็ไม่มีความสุขจากผู้คนที่ได้ยินกิตติศัพท์ของแกหรือคนที่เป็นลูกหนี้หรือเคยเป็นลูกหนี้แต่พอแกได้รู้จักคําว่าวางรู้จักคำว่าปล่อยนะทีแรกอาจจะนึกอาจจะเข้าใจเป็นแคนะ่ปล่อยลูกนี้ไปซะปล่อยลูกนี้ไปซะ เพราะว่าลูกนี้มันเยอะเหลือเกินนะแล้วก็กลายเป็นภาระความเข้าใจแก่ขั้นแรกๆคงจะเป็นแค่นี้แหละคือปล่อยลูกนี้ไปนะพอปล่อยแล้วเนี่ยถือว่าจะเป็นลูกนี้ปลาซิวปลาสอยนี่หรือว่าลูกนี่ลายเล็กๆเนี่ยแกก็เริ่มมีความสุขนะก็ทําให้เห็นประโยชน์เห็นคุณข้า ง, งการปล่อยก็เลยปล่อยลูกนี้ลายใหญ่ๆไป แลแ้คงไม่รู้ตัวนะว่าไอการปล่อยลูกหนี้ไปเนี่ยมันช่วยทำให้แกคลายความยึดติดในทรัพย์สินเงินทองด้วยไอทรัพย์สินเงินทองที่แกยึดไว้นี่มันมันก็เป็นที่มาของความโลภที่มาของความกระหายนะนำไปสู่การเอารัออกเปียบนะอาจจะไม่ใช่ลักขโมยนะแต่ว่าไอการไปขูดรีดดอกเบีย้ยนี่มันก็เป็นการเอารักเอเปียบอย่างหนึง่ง แล้วแกก็ได้แกก็ได้รับผลพวงของการเอาเลืเอาเปรียบนั้นนะว่ามันสร้างความทุกข์ใจใแก่แกให้แกอย่างไรบ้างแต่พอเริ่มปล่อยทีละน้อยทีละน้อยนะเริ่มจากการปล่อยรูปนี้รายเล็กๆแล้วก็ตอนหลังก็วางปล่อยรูปนี้ลายใหญ่ๆแกพบความสุขแล้วแกคงจะพบว่าอ๋อเนี่ยเป็นที่แท้เป็นพรความยึดติดในทรัพสมบัติถ้าแกยึดมันถือมันให้มันน้อยลง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 อาจจะยึดมั่นถือมั่นในในความดีนะทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดียึดมั่นในผลของความดีนะทำไมทำดีแล้วไม่มีคนเห็นความดีของเราทำไมเจ้านายไม่เข้าใจทำไมเพื่อนไม่เข้าใจนะนนี่ก็ทุกข์นะหรือว่าเกิดเผลอทาผิดทำพลาดอะไรไป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 ก็เห็นหมดตายใกะละมังเห็นแล้วก็ใจก็วูบเลยรู้สึกจิตใจเศร้าหมองเพราะรู้สึกว่าตัวเองในศีลพร่องศีลทะลุทำให้หมดตายเป็นปนานิบาตที่จึงไม่ได้เจตนาก็ไม่รูนเป็นปนาธิบาตนะแต่ว่าไอ้ความยึดติดในศีลเนี่ยในวินัยเนี่ยมันทำให้แม่ชีคนนี้ไม่มีความสุขเลยคุ้นคิดแต่ ไอ้เรื่องนี้แหละจิตใจเศร้าหมองไปทั้งวันวันลุ้งขึ้นก็ยังไม่หายเศร้าหมองแล้วจู่ๆก็เกิดหัวใจวายอาจจะเป็นเพราะความชราไอนะ้จิตสุดท้ายเนี่ยก่อนตายเนี่ยนึกถึงมดตัวนั้นอ่ะที่จู่ไม่ได้นึกไม่ได้นึกถึงมดตัวนั้นนึกถึงความรู้สึกผิดนะว่าตัวเองเนี่ยศีย ไม่สะอาดศีลพร่องศีลทะลุจิตใจเศ้าหมองปรากฏว่าพอตายผู้ก็ไปอาบายเลยอาจารย์สิงห์ทองท่าบอกเนี่ยไอ้มดตัวเล็กๆนี่ชุดแม่ชีลงอาบายเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่ไม่รู้จักวางนะเป็นการยึดเหมือนกันถึงแม่คนละแบบกับนายทุนเงินกูนก้คนนั้นนะ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 ในอารมณ์ที่เป็นผลจากความดีความเสียใจความรวมรวมทั้งความโกรธที่ถูกต่อว่าดาทอเขาหาว่าเราเป็นคนไม่ดีเขาหาว่าเราเป็นอ่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอ่ะสอวนคนที่เป็นคนดีนะคงไม่มีคําพูดอะไรที่มันทิมแทงใจมาเท่ากับคําพูดว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ตัว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 ขอหาได้เป็นลาภแล้วนะฮะได้แค่แสนเสียใจรู้สึกหรือว่าเสียหน้านีแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์อย่างนั้นแหละทำบุญแล้วจิตใจก็เศร้าหมองนะเป็นวันเป็นอาทิตย์นั่นะถ้าไมกลับมาตามดูรู้ใจของตัวเองนะัมันก็ไม่สามารถที่จะวางได้นะมันก็แบกอารมณ์ที่เศร้าหมองเสียใจเสียหน้านั้น ไปเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้การทำความดีใ น, ในด้วยการให้ทานรักษาศีลเนี่ยมันเป็นการกระทํากับภายนอกนะเป็นการทำความดีกับภายนอกแต่ว่าก า, ารที่เราจะกลับมาดูใจก็สำคัญเหมือนกั น, น, นการกลับมาดูใจนี่ก็คือภาวนาเ่นเองทานศีลนั่นอภาวนานนะทานศีลมันกระทากับภายนอกส่วนภาวนานี่มันกระทำกับภายในก็คือใจของเรา กลับมาดูใจของเราแล้วกลับมาดูใจถูกนะหรือว่าดูใจเปน็นก็จะเห็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่เห็นแล้วมก็วางได้เพราะว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นจนอารมณ์ครอบงําใจเนี่ยมันก็เลือล่อนลแต่เกิดจากความหลงความหลงความไม่รู้ตัวเป็นเพราะหลงเป็นเพราะไม่รู้ตัวก็เลยโกรธ แล้วเมื่อโกรธแล้วก็ยิ่งไม่รู้ตัวหรือหลงหนักเข้าไปใหญ่แต่ถ้ามีสตินะภาวนาเนี่ยมันทาให้เรากลับมาเห็นใจเมื่อกลับมาเห็นใจหรือกลับมาดูใจก็จะเห็นไอ้ความยึดติดถือมั่นเห็นอารมณ์ที่ครอบงำมันก็วางได้เพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจนี่นก็ช่วยได้เยอะแล้วนะไม่ต้องทำอะไรกับมันนะ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 ก็มาหาบูชาเนี่ยนอนหลับเหมือนตายบูชาก็ต้องกล่าวโต้ไปว่าเนี่ยผู้ที่ไม่มีตัณหาแม้หลับอยู่ก็เหมือนตื่นเพราะว่าอุปธิคือกิเลสหมดสิ้นแล้วบางทีก็ชวนผู้จใจไปไปคลองราชนะกลับไปเลิกปฏิบัติแต่แล้วไปไปครองราชสมบัติดีกว่านะทำประโยชน์ได้เยอะนะอันนี้คืออุบายของมารนะที่มา พูดมาชักจูงให้เขวให้เลิกทำความเพียรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ทำความเพียรจนถึงขั้นบรลณนิพานเนี่ยก็จะยังอยู่ในอำนาจของมารมานี่ในพระไตรปิฎกนะท่านท่านหมายถึงเทวปุตตมานนะคือมารที่เป็นเทวดามานี่จริงๆเป็นเทวดานะอ ย, อยู่ในสวรรค์ชั้ น, นะนการมาวาจรชั้นสูงเลย กลัวว่าคนเนี่ยจะไม่อยู่ในอำนาจของมารก็เลยพยายามชักจูงให้เลิกปฏิบัติเลิกทำความเพียหรหันไปทำบุญแทนหรือหันไปคลองราดวันทีก็ชวนพระเจ้าให้ไปไปไปบรรเทญทุ ก, กรกิริยากลับไปบรเพทาทุ ก, กรกิริยาใหมนะ่เพราะว่ารู้ว่าท้าวเจ้าบรรเ็าเพียร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 พูดแค่นี้นี่มารก็ตกใจนะเสียใจมีคราวหนึ่งไปแกล้งทำแผ่นดินไหวให้พระรูปหนึ่งชื่อพระสมิทธิท่านตกใจมากเลยนะรีบกลับไปเชตวันพระเจ้าก็ถาว่าเกิดอะไรขึ้นพอพระภิกษุสมิทธิเล่าพระเจ้าก็รู้แล้วเนี่ยมารมามาแกล้งก็แนะพระสมิทธินะบอกว่า ถ้าหากเจอแบบนี้อีกเนี่ยให้พูดไปเลยนะว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้าแล้วเรารู้จักท่านแล้วอย่ารู้จักอย่าไปคิดว่าเราไม่รู้จักท่านพระสมิทธิ์ที่ก็ทําตามนะพอเจอแผ่นดินไหวก็พูดเลยนะว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักท่านแล้วนะอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านว่านมานี่พอรู้ทันนะเสียใจมากเลยนะบนพุมพามันเนี่ยพระสมิทธิ์ที่รู้จักเราแล้วนะแล้วก็หายไปเลย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 บางคราวก็ไปไปสิงนะกับเทวดาเทวดาอางค์นี้ก็สรรเสริญการเพื่อเพิดในกามนะพูดเพื่อจะอหักล้างคำสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ไม่ทำอะไรมากก็เพียงแต่พูดว่าเนี่ยมารนะผู้มีบาปแค่นี้แหละมานี่ก็ยอมแพ้เลยเพราะสิ่งที่มารกลัวที่สุดคือการรู้เท่าทัน เพียงแค่รู้เฉยๆนี่ก็มากพอแล้วนะที่จะทาให้มารเนี่ยล่าถอยได้มารที่ว่าเนี่อาจจะเป็นบุคราธิสถานก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เทวปุตตมารอาจจะเป็นกิเลสสมารมานนันีมีหลายอย่างนะมีห้ายอย่างนอกจากเทวปุตตมารแล้วก็มีกิเลสสมารก็คือกิเลสนะที่มาคอยขัดของการทําความดีหรือว่าขันธมารขันธมารคือขันห้านี่แหละ ที่เป็นอุปสรรคในการบําเพ็ญเพียรเช่นความเจ็บความป่วยความเจม็บนะ ค, ความป่วยนี่ก็ถือว่าเป็นมาร น, นะเรียกว่าขันธ์ธมานความตายก็เป็นมารหรือว่าปัจจุมานหรือว่าการปรุงแต่งอภนะิสังขารมา น, นี่ก็ใชนะ่พวกเรานี่อาจจะไม่เจอเถ้ปุตตมานนะแต่ว่าเจอกิเลสมานหรือเจอขันธธรรมานงนะั้นถ้าเราเจอเนี่ยนะมันก็มาในรูปของเสียงภายใน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 มันดับหรือล่าถอยไปงัน้นที่ครูบาอาจารย์เนี่ยหวงพ่อเถวและพ่อขมเขียนในใจเขาว่ารู้ซื่อเนี่ยอือย่าไปคิดว่ามันอเป็นเรื่องง่ายๆหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีน้ำยานะมันเป็นสิ่งที่พระพเจ้าก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีหรือพระอพิสูททั้งหลายทึ่งภายหลังได้กลายเป็นพระอรหันต์าก็ได้ใช้มันแล้วนในการที่จะรับมือกับมารถึงแม้มารจะมีฤทธิ์มาก แต่ว่าเพียงแค่ถูกคนดักขอรือถูกคนรู้ทันนะมันก็ยอมลาถอยไปนามานจะพูดอยู่เสมอนะพระสมิทธิ์ที่รู้จักเราแล้วพระตถาคนรู้จักเราแล้วพูดด้วยความเสียใจพูดด้วความรู้สึกเจ็บปวด น, นะแล้วก็ลาถอยไปอันนี้อาจจะเป็นปุกราทิสถานนะของไอเกเรสมาหรือขันทรมานก็ได้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 ยังสําคัญเพราะว่ามันช่วยในการขัดเกลารจิตใจได้ช่วยลดละความเพียงแะตัวได้แล้วก็ช่วยปล่อยวางได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักให้ทานอย่างถูกต้องนะมันไม่ใช่เป็นการปล่อยหรือให้หรือวางทรัพย์สมบัติหรือสละสิ่งของเท่านั้นนะมาช่วยปล่อยช่วยวางช่วยสละความเพียงแกตัวด้วยอันนี้ก็เป็นการปล่อยการวางที่สําคัญเหมือนกัน ทานศีนี่เป็นการทำภายนอกเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งจุดหมายปลายทางคือการปล่อยวาง เ, เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอก็ควรทำบำเพ็ญทานแล้วก็ศีอย่างสม่าเสมอแม้จะมาเจริญภาวนาแล้วก็ตามคนที่เจริญภาวนาโดยที่ทานและศีนเนี่ยไม่ใส่ใจนะ แต่ว่าแต่ศีลไปแล้วเอาแค่ศีลห้าเนี่ยไม่ใส่ใจนี่ก็ยากที่จะภาวนาได้เจริญก้าวหน้านะเคยไปที่อยู่ที่วัดอมรวดีนะที่ประเทศอังกฤษนะคนฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะคนอังกฤษอเมริกรันนี่เขาสนใจภาวนามากในขณะที่คนไทยนี่ไม่สนใจคนไทยถนัดเรื่องการให้ทานหรื อ, อย่างมากก็รับษาศีลวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาถวายอาหารถวายอย่างดี แต่ว่าพอถึงเวลาภาวานาหรือแม้แต่เวลาฟังเทศน์นี่ก็ไม่ฟังแต่ฝรั่งนี่มามือเปล่านะไม่ค่อยให้ทานเท่าไหร่แต่ว่าสนใจภาวานาสนใจฟังธรรมนะถ้ามีภาวานานี่เข้าคอร์สนี่ห้าวันเจ็ดวันก็มาทานก็ไม่สนใจทำน้อยบางทีศีลก็ไม่เอานะหรือพาะศีลข้อสนะไม่เอาเลย อันนี้คือ2ี่สิบปีที่แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ก็คือว่าฝรั่งนี่เขาจะเอาภาวนาแต่ว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แบบฟรีเซ็กนี่เขาก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยาจจะให้ถือศีลข้อสามนะเขาไม่เอาแล้วก็คิดว่าเนี่ยภาวนาก็พอแล้วฐานไม่ต้องก็ได้ศีลก็ไม่ต้องแคร์มากอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะถึงแม้ว่า จะมาภาวนาทำจริงจังจริงจังแค่ไหนนะทานและศีลก็ทิ้งไม่ได้แต่ถ้าทำบำเพ็ญแต่ทานและศีลไม่เอาภาวนานี่ก็มันก็ยังต้องมีมันก็ยังหนีความทุกข์ได้ได้ยากนะต้องเจอความทุกข์อย่างที่เล่ามาวันนี้ใครก็ตามที่เดยเฉาคนไทยที่หนักในเรื่องการให้ทานและสาศาสีลเนี่ยก็อย่าลืมนะต้องกลับมาสู่หรือเดินหน้าสู่ภาวนาด้วย